แต่พระสมนะโคโดมถึงถูกว่ากระทบกระทั่งกระเทียบถูกรุมด้วยถ้อยคําที่ชักนําไปกล่าวอย่างนี้ผิวพันธุ์ของท่านก็ยังผุดพองสีหน้าก็ยังสดใสยอยู่นั่นเองสมแล้วกลับเป็นพระอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคโดมข้าพระ อ, องค์ขอทูลลาไปละข้าพระ อ, องค์มีกิจมากมีธุระมา ก, ก น, นะไปละไม่มีสาระอะไรเลยใช่เอามไหมนับถือเป็นสาระเป็นอะไรไหมโอ้ดีนะเก่งนะอะไรเนี่ยก็ชมอยู่แค่นี้แล้วก็ไปแล้ อคิเวสนะท่านโสสำคัญกาละอันควรณบััดนี้เถิดลำดับนั้นสัจจการนิครนเพลิดเพลินด้วยใจอนุโมทนาด้วยถ้อยคำในพระภาสิตของพระพุทธเจ้าลุกจากอาสนะหลีกไปเนี่ยนะในอัตตกฐานหน้า143่าเนี่ยนะกล่าวถึงว่าทำไมพระองค์จึงต้องแสดงธรรมให้สัจจการนิครนทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสอะไรเลยเนี่ยนะหน้า143นับขึ้น8บรรทัดเนี่ยนะ พระสูตรต้นเนี่ยนะมีภาระเดียวสูตรนี้มีพานะวาระครึ่งก็ถือว่าเป็นสูตรที่ยาวมากนะพระพุทธเจ้าเปลืองเวลาต้องมาแสดงทำให้สัจจการนิครนฟังตั้งหลายชั่วโมงว่างนะั้นน่ะถามว่านิครนฟังธรรมะตั้งสองพานะวาระครึ่งไม่บรรลุอริยสัจเลยแล้วก็ไม่ยอมบวชไม่ยอมมีสาระคมไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระทําไมพระพุทธเจ้ายัางทนแสดงธรรมให้แก่เขาฟังอีกต่อไปเล่า ทำไมอ่ะตอบว่าเพื่อวาสนาในอนาคตเนี่ยนะแสดงว่าพระพุทธเจ้ามองการไกลไกลแค่ไหนบอกสองอกว่าปีพระพุทธเจ้าเห็นว่าบัดนี้อุปนิสัยของนิครณ น, นาศัศ จ, จการนิครณไม่พอจะบรรลุมรรคผลแต่เมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วสองร้อกว่าปีเศษศาสนาจากปฏิสถานอยู่ที่ประเทศสีลังกานิครณ น, นาศัจกนิครณคนนี้จะไปเกิดในเรือนมีสกุลก็คือหมายความว่าเรือน คนมีตระกูลน่ะนะในเกาะศรีลังกาบวชแล้วถึงเวลาแล้วก็เรียนพระไตรปิฎกเจริญวิปัสนาบรรุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเป็นพระมหาขีณาศพชีวกาและพุทธรคิต พระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อันนี้เห็นเหตุอันนี้ก็เลยแสดงธรรมเพื่อเป็นวาสนาในอนาคตว่าบางคนนี่ต้องรอ200รกว่าปีนะจึงจะคุยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นนั่งคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องภายในสองชั่วโมงก็จะเป็นหนักใจเลยเนีย่ยนะคุยกันแปบดบแบบแบบอะไรนะเนี่ยพระองค์รอตั้ง200กว่าปีใช่ไหมบางทีนะอย่างบางคนพระองค์รอได้ตั้งแสนกับอ่ะนะ บางคนก็รอได้ตั้งเป็นอาสงไขกลับนะจะรีบไปไน้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรให้ใครฟังอย่าไปรีบด่วนแม็คุณต้องเชื่อคุณต้องฟังคุณต้องอย่งงางนั้นนี้ไม่ต้องหรอกเนี่ยนะขาอาจจะเชื่อก็ได้แต่ขอเวลาสักสองร้อยปีนะแบบเนี่ยสัจจการนิครณเนี่ยนะเขาเขอบอกขอเวลาสองรอปีละกันเน่ยนะเรื่องของสัจจการนิครณหลังจากนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ขอไปเมื่อพระพุทธศาสนาประดิสถานอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเพราะพระมหินเถระนาไปสัจกานิครนตายจะอธิบายว่าเขาตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในเทวดาร้อยกว่าปีเศษเนี่ยนะเกือบสองรอปีก็ตายจากเทวดามาเกิดในสกเกนของอํามสาธคนหนึ่งโอ้เป็นเทวดาทั้งสองรอยกว่าปีเนาะเสร็จแล้วก็ไปเกิดในบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะที่ที่อะไร เป็นทางบินธบาตในทักษิณคิริวิหารก็บวชในเวลาโตขึ้นมาเป็นนม น, นะพอโตขึ้นมาก็บวชบวชแล้วก็เรียนพระไตรปิฎกคือพระพุทธพจน์บริหารหมู่คณะหมู่พิกสุสอ์เป็นอันมากโอ้หเป็นอาจารย์ใหญ่ลูกศิษย์เยอะเนี่ยนะวันหนึ่งก็แมมชวนลูกศิษย์ไปไหว้พระอุปชาครั้งนั้นอุปชาของพระเทระนี่ก็คิดว่า เราจะทักทวงสัตว์ที่วิหาริกก็บุ้ยปากกับภิกษุอื่นแกว่าพอเห็นหน้าลูกศิษย์กระทาหน้าเบ้ใส่อีกองคหนึ่งเลยนะมาอะไรเงี้ยน ะ, ะทีนี้พระกาลพุทธรักขิตก็ะคิดขนาดเราเนี่ยนะแตกชานพระตรายปิฎกอาจารย์ไม่ทําแม้แต่พูดสักเราหน่ยนะเห็นหน้าเราปั๊บทําหน้าเบ้ใสคนอื่นเลยนะนะเอ๊มเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับ ผมทําคันธกรรมคือเรียนพระไตรปิฎกในสํานักของท่านทําไมท่านยังบุนะ้ยหน้าบุยปากใส่ผมไม่ยอมพูดกับผมผมมีความผิดอะไ ร, ระอาจารย์ก็บอกพุทธรักิตท่านเนี่ยนะสำคัญแปลว่าท่านเนี่ยมั่นใจตัวเองเหลือเกินคิดว่ากิจที่สุดแห่งการบวชของตัวถึงที่สุดแล้วเพียงแต่เรียนพระไตรปิฎกเท่านี้หรือพุทธรักิตท่านพระพุทธรักิตก็เลยคิดว่าแล้วผมจะทํำยังไงล่ะครับเหมือน คือคือถ้ า, าว่าเรียนพระไตรปิฎกทรงพระไตรปิฎกแตกฉานสอนคนอื่นขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ดีจริงในความคิดของอาจารย์อาจารย์จะให้ผมทํำยังไงก็เธอก็ตัดหมู่ตัดความกังวลใจตัดความอาลัยในหมู่คณะไปโน่นไปอยู่เจติยาบันพศวิหารไปทําสมาณะธรรมเธอไปเจริญณาที่ศีลที่จิตที่ปัญญาสมถาวิปัสนาให้บรรลุมรรคผลเธอท่านก็เชื่อนะเชื่ออาจารย์ก็เลยตั้งอยู่ในโอวาทของอุปชา ปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ที่มีบุญมัยมีบุญก็บุญไม่ไม่ใช่น้อยนะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยนะในชาติก่อนนู้นะนะแล้วฟังอย่างเข้าใจเป็นอย่างดีอันนั้นก็พอแล้วที่จะเป็นบุญวาสนาให้ตรัสรู้เนี่ยนะนะแล้วก็เป็นอาจารย์ของพระราชาอีกทีหนึ่งนะเป็นพระอรหันต์ที่เป็นที่พระราชาเคารพมากมีหมู่ภิกษุสง์เป็นอันมากเป็นบริวารอยู่ในเจติยบันพศวิหารเจติยบันพศคือที่ไหน มาเห็นทะเลเนี่ยนะมาเห็นทะเลอยู่ทิศตะวันออกของเมืองอนุราธพุระเนี่ยนะวันนั้นว่าจะขึ้นไปกราบแต่ไม่ได้ขึ้นไปครั้งนั้นพระเจ้าสัตฯพระเจ้าติดสะมหารารักษาอุโบสถกรรมอยู่ในที่เร้นของพระราชาที่เจติยาบันพศแสดงว่าที่ที่เจติยบันพศเนี่ยพระราชาเขามาหลีกเร้นอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำเนี่ยนะ ก็มาแอบเมียเมียบของเราก็ไปถ่ายรูปกันนะไม่ได้ขึ้นไปบนได้ยันนะไปอยู่ข้างๆริมบันไดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปในะคิดว่าแถวนั้นอาจจะมีซุ้มที่ว่าพระราชามาหลีกเล่นเป็นครั้งคราวเนี่ยนะพระราชาก็มาหลีกเล่นอยู่ที่วัดนั้ น, นแหละเสร็จแล้วก็ให้สัญญาแก่ภิกษุอุปถาคของพระเถระว่าถ้าหากว่าพระพระผู้เป็นเจ้าแสดงธรรมหรือกล่าวธรรมเมื่อใดส่งสัญญาบอกด้วยนะ อยากก็ฟังด้วยนะก็คือไม่ได้ไปขอร้องให้พระเทศให้ฟังอ่ะนะแต่ถ้ามีการฟังธรรมสนทนาธรรมเมื่อไหร่บอกด้วยนะจะไปฟังด้วยวันหนึ่งถึงวันธรรมมาสวาัะดิ์ก็ว่าวันฟังธรรมปกติของวัดนี้พระเถระภิกษุสงแวทล้อมก็ขึ้นสู่ลานกันทกะเจดีไหว้พระเจดีแล้วก็ยืนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวดำนะต้นมะพร้าต้นมันดําอยู่แล้วละ่ะก็ไปไหว้พระเจดีเนี่ยนะ ก็ที่จริงในในนั้นก็มีเจดีย์สูงอยู่เจดีย์หนึ่งอะนะอยู่บนยอดเขาโน้นก็มีพระเจดีย์นะพระเทรศก็ขึ้นไปไหว้เจดีย์ที่นี้มีลูกศิษย์อยู่รูปหนึ่งเป็นพระที่ปกติถือบิณฑบาตเป็นวัดมาถามปัญหากับท่านพุทธรักษิตว่าถามถามปัญหาในกลามาสูตรอะนะพระเทรศก็บอกผู้มีอายุวันนี้เป็นวันฟังธรรมไม่ใช่ไหมก็เรียนบอกวันนี้เป็นวันฟังธรรมครับว่บางั้นพระเทรศก็บอกอ่าถ้าอย่างนั้นนะเอาตัางก็แปลว่าจัดรำ ม, มาศ ตกแต่งสถานที่ฟังธรรมวันนี้จะมีการฟังธรรมพระภิกษุก็ช่วยกันปูราดอาสนะที่โคนต้นไม้ถวายพระเถระพระเถระก็กล่าวคาถาเบื้องต้นเริ่มจะแสดงกาลามาสูตรภิกษุอุปถากก็ไปไ ป, ไปบอกใครไปบอกสัญญาไปให้สัญญากับพระราชาว่าวันนี้พระเถระจะแสดงธรรมแล้วนะพระราชาก็เสด็จไปคาถาหมายว่าสองบรรทัดแรกยังไม่ทันจบพระราชาก็ไปถึงก็ไปยืนท้ายบริษัท แปลงตัวแบบไม่ให้ไม่มีใครรู้จักนะก็คือพระราชาส่วนใหญ่คนจะรู้จักในขณะที่แต่งตัวแบบเข้าองค์ทรงเครื่องเต็มที่นะพอแบบไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยอะไรก็ปิ ด, ป, ดปิดตัวเองว่าคนก็ไม่รู้จักก็ไปยืนแอบบๆอยู่ท้ายบริษัทนุน่นไม่มีใครรู้จักพระ อ, องค์ก็ประทับยืนตลอดสามยามแปลว่ายืนสิบสองชั่วโมงประธานสาธุการในเวลาพระเทระกล่าวว่ากล่าวว่า อันนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าอนุโมทนาตอนสว่างพอดีเลยนยนะยืนฟังธรรม12ชั่วโมงเนี่ยนะโหเก่งมากพวกเราเคยนั่งฟังธรรมถึงถึง12ชั่วโมงไหมอาจจะอิรยาบทนอนอาจจะเกินเนะีเปิดซีดีเพราะซีดีมันก็เปิดไล่ไปเรื่อยใช่ไหมมันจะลอนหลับมากี่ตื่นท่านก็ยังเทศต่อไปนะเป็นไปได้ ทีนี้พระเทระเนี่ยพอได้ยินเสียงภาษาทุจําได้ว่าออนี่เสียงพระราชาก็ถาม ม, ามหาบาพิตรพระองค์มาตั้งแต่เมื่อไร่บอกมาตั้งแต่ท่านผู้เจริญเริ่มคาถาต้นนั่นแหละพระเถระก็ถามมหาบาพิตรพระองค์นี่ทํากรรมที่ทําได้ยากพระราชาก็บอกว่าท่านผู้เจริญยืนฟังธรรมสามสิบสองชั่วโมงไม่ยากหรอกแต่ไอัที่ยากกว่า น, นั้นคือไม่คิดเรื่องอื่นเวลาฟังธรรม ไม่สนใจไปในที่อื่นเลยตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าแสดงธรรมถ้าหากว่าพูดไม่จริงขอแผ่นดินทั้งหมดในศีรกายอย่าเป็นของเราแม้แต่กระทั่งแบบปลายที่สุดไม้ประดับก็คือปลายเหล็กแหลมมันนะที่จิ้มลงไปนะถ้าพูดไม่จริงอะ่ะแผ่นดินทั้งหมดอย่าเป็นของข้าพเจ้าเพราะอะไรเพราะไม่จิตไม่เป็นอื่นะนะติดตามเรื่องตลอดิบสองชั่วโมงโอ้โหจิตสมาธิดีเยี่ยมเลยนะก็บอกว่าถามว่า พระกาลพุทธรกิจเนี่ยแสดงทั้งสิบสองชั่วโมงเนี่ยพูดเรื่องอะไรตอบว่าแสดงพุทธคุณเนี่ยนะบรรยายพุทธคุณสิบสองชั่วโมงพระราชาก็ถามว่าท่านผู้เจริญพระพระพุทธคุณที่ท่านแสดงทั้งหมดมีเท่านี้หรือหรือพระพุทธคุณทั้งหลายยังมีมากกว่านี้พระเถระก็บอกว่ามหาบาพิษพุทธคุณที่ยังไม่ได้ยกมาพูดมีมากกว่าที่อาตมากล่าวแล้วเนี่ยมีเล็กน้อยที่ยังไม่ได้เอามาแสดงเยอะ เอาอุปมาให้ฟังหน่อยว่าไอ้ที่เอามาแสดงเนี่ยน้อยอย่างไงแล้วที่ยังไม่แสดงเนี่ยเยอะอย่างไรก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันข้าวสาลีเนี่ยนะรวงเดียวในนาข้าวสาลีพันไร่อ่ะสมมติว่าถ้าข้าวพันไร่เนี่ยยกมารวงเดียวรวงเดียวกับพันไร่ไหนมากกว่ากันโอ้ยรวงเดียวมันจะไปเศษเสี้ยวของพันไร่ได้อย่างไงเนี่ยนะฉันได้คุทธคุณที่อาตมาภาพเนี่ยกล่าวก็เหมือนกับข้าวรวงเดียวที่ยังไม่ได้กล่าวก็เหมือนกับข้าวพันไร่นั่นแหละ อุปมาอีกเถอะเอาี้ละกันมาหาคงคาที่เต็มไปด้วยห่วงน้ํากล่าวว่ากระแสแม่น้ําที่ไหลบ่าไปท่วมทับเอาน้ํามาใส่เท่ารูเข็มเนี่ยนะน้ำในรูเข็มกับน้นําในคงคาไหนมากกว่ากันบอกว่าพุทธพจน์ที่พุทธคุณที่เอามาแสดงก็เท่ากับ น, น้ําในรูเข็มพุทธพจน์ที่นั่ยังไม่เอามาแสดงพุทธคุณที่ยังไม่ได้มาแสดงก็เหมือนกับน้ํำในแม่น้ําคงคาบอกอุปมาอีกเถอะ ก็เลยบอกว่าธรรมดานกเล่นลมเนี่ยนะคือว่านกน้อยในท้องฟ้าใหญ่เนี่ยนะบินไปในอากาศเนี่ยสกุลชาตินกน้อยตัวเล็กเนี่ยนะสถานที่มันปรบมือคือว่าตีปีกเนี่ยนะคือว่ากระพือปีกของนกในอากาศเนี่ยกับตัวอากาศไหนจะมากกว่ากันคือว่านกน้อยในท้องฟ้านี่แมมันเทียบกันไม่ติดเลยเนี่ยนะบอกว่านกน้อยในท้องฟ้าฉันใดอ่าพระเถระเขาบอกว่าที่พูดพุทธคุณสิบสองชั่วโมงก็เหมือนกับ นกน้อยที่บินในท้องฟ้านะที่ตรงที่กระพืปีกมันน้อยเดียวแต่พุทธคุณที่ยังไม่ได้เอามาแสดงเอามาพูดเอามาประกาศเนี่ยมากเหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างมหาบพิธพุทธคุณที่อาตมากล่าวเนี่ยน้อยพุทธคุณที่ไม่ไดเอามากล่าวมากไม่มีที่สุดไม่มีประมาณปราชาบอกสาธุพระพุทธคุณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณท่านอุปมาเหมือนอากาศที่ไม่มีที่สุดนั่นแหละข้าพเจ้าเลื่อมใส แต่ก็ไม่สามารถจะทำสักการะที่เหมาะสมแก่พระผู้เป็นเจ้าได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาไปถวายกันเทศจึงจะสมควรแก่ศรัทธาที่มีอยู่นี้เอาและการขอถวายราชาสมบัติประกอบด้วยร้อยยอดในเกะาะศีงกาถวายเกาะทั้งเกาะนี่แหละแก่พระผู้เป็นเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องเครื่องสักการะของคนยากเป็นทุกขตะบรรณาการของข้าพเจ้าก็แล้วกันถือว่าเป็นกันเทศของคนยากแล้วกันอ่างนั้นนะ พระกาลพุทธรักขิตก็บอกว่ามหาบาพิษบรรณาการอันมหาบาพิษทรงเลื่อมใสการทรำแล้วอาตมาก็ขอถวายราชสมบัติที่ทรงถวายแกยอ่อาตมาคืนแก่มหาบาพิษทั้งหมดนะถวายคืนแล้วการขอมหาบาพิษจงปกครองแว่นแคว้นโดยธรรมโดยสม่ําเสมอโดยสุจริต ร, รมต่อไปเถิดเนี่ยนะซึ่งพระราชาพระองค์นี้ก็อนุโมท เป็นผู้ที่มีศรัทธาจริงๆเลยนะศรัทธาเนี่ยนะสละร่างกายยืนฟังธรรมไม่ส่งจิตไปเรื่องอื่นในสิบสอชั่วโมงแล้วก็ยกแผ่นดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่สั่งสมบุรณ์ไว้มากนะก็แผ่นดินมันก็ของโลกอ่ะนะใครบูชาคนนั้นก็เป็นบุญไปเนี่ยนะท่านก็ท่านก็ได้บุญเนี่ยนะสังสมบุรณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศีลังกามเมื่อพศหลังสองร้อต้นๆออกมาเนี่ยนะก็มีเรื่องราว แสดงว่าหลังพุทธป ร, รินิพพาน200อกว่าปีพันพระองค์ก็แสดงธรรมรออินทรีแก่กล้ารอหน่อยนะสปีเองก็รอได้เนี่ยนะพระองค์ไม่ไ ม, ไม่ใจร้อนอยู่แล้วนะเพราะทำไมเร่งงานนั้นก็ไม่รู้จะเร่งไวยังไงนะก็รถมันเสียนะไม่รู้จะคัรีบเหยียบคันเร่งไปตรงไหนก็รถมันเสียนะ ชันใดก็รอกันหน่อยและการบนผู้ที่สั่งสมบุญวาสนาเนี่ยนะอย่างไรเสียเราจะได้ตรัสรู้เร็วหรือช้าก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ฟังแล้วจงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้โดยทั่วกันทุกท่านอนุโมทนา